ให้เป็นคนสงบสงเงียมเรียบร้อยเพราะว่าต่างคนต่างมีนิสัยหยาบบ้างละเอียดบ้างมันต่างคนต่างตระกูแลแบบนี้เมื่อมาบวชอยู่ในธรรมวินัยนี้เรามาปฏิบัติตามพระวินัยเหมือนกันหมดเลยวับนี้ อต่างคนก็ต้องดัดแปลงนิสัยใจคอของตนให้มันเป็นไปตามพระวินัยนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเรามันกิริยาหยาบอย่างนี้ก็จะหยาบอยู่นั้นเรื่อยไปจะไม่ดัดแปลงตนเลยอย่างนี้มันก็ขัดต่อวินัยนั่นนี่ก็เราจะเป็นคนดี ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ได้ต้องให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะนั้นการบวชนี่เชื่อว่ามันเป็นการฝึกทั้งกิริยากายการแสดงออกทางร่างกายก็ให้ละมุนละไมสงบสงเงี่ยมเป็นการฝึกการพูดการจาให้มีระเบียบ ไม่ให้มากเกินไปแล้วก็ไม่ไม่น้อยเกินไป <c oughs> แล้วก็พูดเรียบเรียบไม่พูดตลกขนอนเหมือนอย่างครือฮัดไม่พูดหัวเลาะเอ้ออากอะไรไปทานองนั้ น, นมันมันไม่งามมันเสียกิริยาของสมณะ สมณะแปลว่าผู้สงบอย่างนี้นะเราฟังเอาชื่อของเราที่พระพุทธเจ้าตั้งให้นั่นเนี่ยเราสงบจริงหรือไม่ตามชื่อนั่นน่ะนี่มันต้องสำรวจกวดกาดูตัวเองนะเป็นดันว่าเรามาบวชในพระพุทธศาสนานี่นะมาฝึกตน ให้เป็นคนละเอียดถี่ท่วนไปเรื่อยๆรื่อยนั่นแหละเพราะว่าการฝึกตนให้เป็นคนละเอียดถี่ท้วนไปอย่างนี้เนะ่มันมันทำให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรามาฝึก โดยไม่มีผลตอบสนองอะไรเราฝาึกจัญยามรยาทให้ตรงไปตามระเบียบของธรรมของวินัยอย่างนี้มันมีผลโดยทางอ้อมทำให้มานะทิฐิเนี่ยมันเบาบางไปจากจิตใจคนมีมานะหมายความว่ามีจิตใจกระด้างกระเดือง ไม่อ่อนน้อมต่อทำต่อวินัยคนถือมั่นในความเห็นของตัวเองก็เส้นเดียวกันนั่นแหละมักจะฝ่าฝืนและเบียรทมวินัยทำตามความเห็นของตัวเองอันนั้นไม่ถูกต้อง การที่เราทุกคนมายอมตนลงปฏิบัติตามธรรมตามวินัยนี่มันจึงเป็นการบรรเทามานะความกระดะากระเดืองอนั้นลงได้บรรเทาทิฏฐิความถือมั่นในความเห็นของตัวเองลงไปได้ถ้าเรายอมปฏิบัติตามธรรมวินยัย ความเห็นของตนบางอย่างก็ตรงต่อธรรมต่อวินัยอันนั้นก็ไม่ลำบากนะแต่บางอย่างมันไม่ตรงตามธรรมตามวินัยมันต้องได้ดักแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่อยากทำก็ต้องทำอไม่ไม่อยากทำก็ต้องทำ ต้องน้อมตนลงสู่ธรรมสูวินัยไม่ไม่ต้องกลัวเสียเปรียบเสียเรียบอะไรดังนั้นผู้ที่เป็นนักบวชนะได้น้อมตนลงสู่ธรรมสูวินัยก็จึงเป็นผู้สงบระงับถึงแม้จะอยู่ในวัยหนุ่ม อยู่ในไว้ขคองแต่เมื่อมาดัดตนลงให้เป็นไปตามทำตามวินัยแล้วก็เลยกลายเป็นคนสงบงเงี่ยมไม่คึกขนองเลยตามธรรมดายังหนุ่มแน่นนี่จิตใจมันคึกขนองร้องรำทำเพลงกระโดดโล ด, ดเต้นอะไรต่ออะไรเพลิดเพลินไปตามหรวรสคบเงิน โมนี่เนี่ยทีนี้เมื่อผู้เรเข้ามาบวชใน菩าสษษษนามแล้วมาดักตนเข้าไปตามธรรมตามวินัยนี่มันก็สงบจากเรื่องหมู่นั้นได้เรื่องคึกขนองต่างๆหมู่นั้นนั่นเนี่ยมันจึงเป็นอุบายบันเทวกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจนี่เรื่อยๆไป ถ้าจะว่าในหนึ่งแล้วก็เป็นการสนับสนุนสมาธิภาวนาแน่นอนเลยเมื่อเคารพในศีลในวินัยแล้วมันก็ทำให้กิเลสส่วนยาวๆนั้นมันบรรเทาลงยังจะกิเลสอย่างกลางมันในเมื่อเพ่งจิตเข้าไป กิเลดอย่างกลางระงับลงจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะนานังวสินอบรมดีแล้วย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มีสมาธิเป็นอานิสงส์นั่นแะสินที่อบรมดีแล้วนะ มีสมาธิเป็นอานิสงส์ก็ทำใจให้สงบตั้งมั่นลงไปต่อบุญต่อคุณนี่นั่นแหละยังว่าอ น, นิสงส์แห่งการรักษาศีลก็คือสามารถทาใจให้สงบเป็นสมาธิได้นี่แหละอันนี้อ น, นิสงส์แห่งการ การทำสมาธิทำจิตใจตั้งมั่นลงไปแล้วมีปัญญาเป็นอานิสงบเ น, นี้ยเพราะจิตที่ตั้งมั่นแล้วมันก็ต่องเกิดปัญญานี่เลเกิดปัญญาความรู้จริงเห็นแจ้งเห็นอะไรก็เห็นแจ้งรู้อะไรก็รู้จริงลักษณะของปัญญาเป็นอย่างนั้น ลักษณะของโมหะความหลงนั่นรู้อะไรก็รู้ไม่แจ้งเลยเห็นอะไรก็เห็นไม่จริงมัวมัวอยู่นั่นนะเหมือนยังตาของคนเราเนี่ยนะถ้ามันเกิดเนื้อ ง, งอกขึ้นมาเป็นฝ้าปิดบังแก้วตาแล้วตามัวมองอะไรก็ไม่เห็นชัดเลยเป็นแบบนั้น จิตใจของคนเรานี่ก็เหมือนกันนะเมื่อปล่อยให้อวิชชาตันหามครอบงำแล้วมันมัวไปเลยคิดอ่านอะไรก็ไม่ออกอ้วท่านสอนให้พิจารณาให้เบื่อหน่ายในสังขารร่างกายอันนี้อย่างนี้มันก็ไม่เบื่อหน่ายสักทีพิจารณาไปในมันก็เฉยๆเรื่อยๆไป ไม่เห็นมันตรงไหนมันจะเป็นหน้าเบื่อหน่ายนั่นแหละเ่ะงองจากความไม่รู้แจ้งนั่นเองนะมันถึงไม่เบื่อหน่ายดังนั้นทุกคนให้พิสูจน์ตัวเองให้ได้เพ่งดูจิตใจตัวเองว่ามันมีอะไรมาหุ้มพออยู่นี่ ทำให้โมหมองมีหรือไม่ น, นั่นก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละที่จะต้องฝึกไม่มีใครที่จะมาฝึกให้องค์พระพเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านก็เป็นในเพียงที่หนทางให้ เราเดินตามเท่านั้นเองเมื่อเราไม่เดินตามแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรนนี้เมื่อเราไม่เดินตามแล้วเราก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเท่านั้นแหละผู้ใดดําเนินตามผู้นั้นมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้ อ, อมันเป็นงั้นเหมือนเหมือนการเดินทางด้วยเท้านี่แหละ เอาใครหยุดอยู่แล้วไม่พยายามเดินมันก็มันก็นานถึงนะงานถึงปลายทางไนงะอย่างนี้นหยุดอัศนอมนานแล้วอย่างค่อยไปเดินเดินไปหน่อยหนึ่งนะคนไปหยุดอัศนานอย่างงี้นะมันก็นานถึงอนะ่ะพวกที่เขาเดินไม่ถอยหยุดพักก็หยุดพักนิดหน่อยพอหายเหนื่อยแล้วก็เดินต่อไง มันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเมื่อได้มีศรัทธาลงทุนฝึกตนเข้าไปแล้วอย่างนี้ก็พยายามฝึกตนเลื่อยไปไม่ให้ท่อถอยเรียกว่าไม่ถอยหลัง มุกหน้าเลื้ยไปอย่างนี้เ่ยไม่ถอยหลัง<ม>ถึงแม้ว่าเราจะหยุดพักก็หยุดพักไปชั่วขณะหนึ่งเช่นอย่างว่ามีธุระอย่างอื่นที่เราจะต้องคิดจะต้องทำเอาอันนั้นก็พักไปชั่วระยะหนึ่ง เมื่อคิดอ่านการงานเหล่านั้นรุ้ร่วงไปได้ด้วยดีแล้วมก็วกเข้ามาหาการฝึ ก, กจิตทํายังไงจิตมันจะตั้งมั่นลงไปทํายังไงจิตมันยังหยับห่องใสนี่แล้วก็ทําลงไปนะนจิตมันจะตั้งมั่นได้ก็โดยอาศัย ความอดทนเป็นพื้นฐานอาศัยความอดทนหนึ่งอาศัยการเพ่งหนึ่งนี่การเพ่งนี่ก็สำคัญไม่น้อยนะเรเพ่งอยู่ภายในนี่ขณะที่เราเพ่งอยู่นั้นจิตมันก็ตั้งมั่นลงได้ เพราะว่าการเพ่งนี่ก็ค่ายก็บอกไปข่มจิตเอาไว้ไม่ให้มันคิดไม่ให้มันปรุงแต่งอะไรขึ้นมาอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเพ่งจิตแล้วต้องฝึกการเพ่งอย่างว่าเนี่ยมันก็ลำบากอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะแต่เราก็สู้ดีกว่าปล่อยให้จิตใจมัวหมอง เป็นทุกข์ิ้นรนกระวนกระวายไปตามเรื่องไม่เป็นาสาระแก่นสารอันนั้นมันทุกข์ไปนานเหลือเกินนะทุกข์ในโลกนี้ยังไม่แล้วก็ไปทุกข์ไปในโลกหน้าต่อไปอีกมันต้องคิดคำหนึ่งอย่างนี้อเราทำความแพงเพียนเพ่งพยนิจ ด, ดวงจิตนี้อยู่ในปัจจุบันนี่ ถึงว่ามันจะยากลำบากอย่างไรอย่างนี้มันก็ไม่เดี๋ยววิสัยมันก็ลำบากไปได้ช่วระยะหนึ่งทีนี้เมื่อฝึกกิจให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วมันก็สบายไปกว่นี้นะมันมันติดนิสัยนิสัยชอบสงบอย่างนี้นะฝึกให้มันชอบสงบให้มันตั้งอยู่ในความสงบได้แล้วมันก็ ถึงแม้ว่ามันจะเผลอจิตจะฟุ้งซ่านไปได้ชั่วขณะหนึ่งมันรู้ตัวแล้วมันก็มุ่งต่อความสงบเป็นที่ตั้งของเก่าเพราะว่ามันเคยลิ้มรสแห่งความสงบมาแล้วว่าความสงบนี่มันเป็นสุขอันสดใสจริงๆมีรสชาติกลมกล่อมจริงๆดังนั้นมันจึงไม่ลืมไม่ไม่ลืมความสงบ ทางใจถ้ามันถอนไปก็พยายามทำให้มันสงบึ้นมาธรรมดาผู้รู้จักรสชาติของความสงบอันเกิดจากสมาธิว่ามันเป็นสุขมากอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ลดละก็ามพยายามพยายามเพ่งจิตให้มันได้รับความสงบ ตามเป้าหมายที่เคยทำมาเมออื่อเป็นเช่นนี้คนผู้นั้นก็ไม่ไม่เสื่อมจากสมาธิ เ, ออเมื่อไม่เสื่อมจากสมาธิกิเลส ก, ก็ครอบงำไม่ได้ อ, อ, อันกิเลสครอบงำจิตใจของคนน่ะนะก็เนืนองมาแต่ใจมันถอนจากสมาธิ แล้วมันก็เลื่อนลอยไปตามอารมณ์ต่างๆออมีความคิดความวิตกวิจาร์ไม่หยุดไม่หย่อนหาความสงบไม่ได้นี่อันนี้หนละมันเป็นมูลเหตุที่ให้กิเลสมันครอบงมได้ถ้าบุคคลมาเพ่งจิตนี่อยู่รู้จักห้ามจิตของตนได้อย่างนี้นะ ที่เลขอบกเงาไม่ได้เลยครอบงงาไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนให้พึงพยายามไม่ว่าคฤือหัดไม่ว่านักปวดพูดถึงความทุกข์แล้วกว็อันเดียวกันแต่ามาทุกข์ใจอย่างนี้นะเพราะใจไม่สงบนั่นแหละมันจึงเป็นทุกข์ใจ ถ้าใจสงบลงไปแล้วเป็นคฤหอขัดก็สบายเป็นนักบวชก็สบายมันอันเดียวกัน <c oughs> ในระหว่างคฤหอขัดกับนักบวชนั้นมันแตกต่างกันแต่เรื่องวินัยเท่านั้นแหละ <c oughs> วินัยของพระภิกษุนี่มันละเอียดละออมากกว่าวินัยของชาวบ้าน ไปอย่างนั้นจะพูดถึงเรื่องธรรมะแล้วอันเดียวกันเพราะอันเดียวกันนั่นแหละท่านผู้ครองเรือนทั้งหลายแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นท่านจึงสามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ไม่ใช่บรรลุได้แต่พระสาวกเท่านั้นผู้ครองเรือนก็มีสิทธ บรรุโสดาจะกิกทาคาอนาคาได้เมื่อสำเร็จอนาคาแล้วอยู่งนไม่ออกบวชก็มีครองเลือนไปอยู่นะจนตลอดหมดอายุสังขารแต่ว่าหากทำตัวเป็นคนผู้เดียวเพราะอนาคามีเพราะตัดสังโยศเบื้องต่ำห้าประการนึงขาดออกไปแล้วหรือว่าตัดการมราคาขาดออกไป จา ก, กจิตใจแล้วดังนั้นถึงไม่บวชอยู่เป็นเคยหัดก็อยู่ทำตัวเป็นคนผู้เดียวเป็นอย่างนั้นไม่เกาะเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามนี่เราก็จะนั้นยังว่าพูดถึงคุณธรรมแล้วอันเดียวกันในระหว่างเคยหัดกับทักงบวชตรงดำเนิน สายเดียวกันเลยดังนั้นให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจลงไปถึงอย่างไรเราต้องได้มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่อยู่ดีๆนี่แหละจึงจะพ้นทุกข์ไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้มาปฏิบัติ ตามศีลสมาธิปัญญานี่เราพ้นทุกข์ไม่ได้เลยเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวัฏสงสารอันนี้เลยไปเรื่อยๆแต่แล้วก็มักเสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าเสวยสุข <c oughs> ดังนั้นน่ะมันจะเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ ตามศีลสมาธิปัญญาอันนี้เราไม่ต้องอ้างน่นอ้างนี่อะไรด้ะไม่ต้องอ้างว่าเป็นคฤหัสถ์มีธุรกิจการงานมากไม่มีเวลาที่จะได้ปฏิบัติ <c oughs> ไม่ควรจะไปคิดเห็นอย่างนั้นเพราะการสำมรวมกายสำมรวมวาจาไม่ให้ร่วงพุทธบัญญัติ ใครก็ต้องทํากันเหมือนกันหมดสาหรับผู้ที่เป็นสาวกเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเขารกต่อพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าจริงๆเขารกต่อพระธรรมคำสอนอย่างแรงกล้าจริงๆอย่างนี้นะเขารบต่อพระสงฆ์สาวกอย่างมากมันก็เป็นเหตุให้เรา เราได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่ไปเพราะความเคารพอย่างแรงนั่นเนองโดยเฉพาะเคารพในพระพุทธเจ้านั่นเน่งเพราะพระองค์เป็นเจ้าของศาสนาถ้าเมื่อไม่เคารพในพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อก็ไม่เคารพในพระธรรมไม่ฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรม นั้นบางคนก็มีความเห็นผิดเป็นชอบไปเมื่อไม่เคารพในคำสอนอย่างว่าเห็นว่าตายแล้วศูนย์บออย่างนี้นะโลกหน้าไม่มีนรกสวรรค์นิพพานไม่มีนี่เลยว่าความเห็นมันออกนอกพระพุทธศาสนาไปแล้วดังนั้นเราต้องพยายาม ฝึกใจของตนให้ตรงต่อธรรมต่อวินัยให้ได้แล้วเราก็จะเป็นผู้เจริญด้วยบุญ้วยผู้สนเป็นอุปนิสัยปัใจจัยให้ได้บรรลุวัคผลธรรมวิเศษในการต่อไปดังกล่าวมาขอยุตติลงเพียงเท่านี้